แนะนำบทอัตตีนบทอัตตีนเป็นบทมัคคิยาภ์มีแปดองค์การที่กล่าวถึงเรื่องสําคัญสองเรื่องคือหนึ่งการให้เกียรติของอัลลอฮ์แก่มนุษย์สองเรื่องการศรัทธาการชําระสอบสวนและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติซึ่งอัลลอฮ์ทรงกําหนดให้เป็นสถานที่เพื่อการประธานองค์การแก่บรรดานาบีและรอซูลของผู้งมงสถานที่เหล่านั้นคือ ใบตุลมกักดิสภูเขาตรุษและเมืองมักกะโดยที่อลัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่มนุษย์ทรงบังเกิดพวกเขาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งและเมื่อไม่ขอบคุณความโปรดปรานของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงให้เขากลับสู่สภาพพิ่ตกต่ำบทนี้ได้ตำหนิคนกาฟิตที่ปฏิเสธวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันชุมนุม หลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งได้บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกในการสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่สวยงามยิ่งบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงความยุติธรรมของอลัลลอฮ์ด้วยการตอบแทนแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาและลงโทษพวกปฏิเสธศรัทธาในการนี้เป็นการยืนยันถึงการตอบแทนและการฟื้นคืนชีพอีกด้วย ด้วยพระานามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกและด้วยภูเขาตูร์ซีนยและด้วยเมื อ, องที่ปลอดภัยนี้แ ล, ล้วพระเจ้ก็ทรงสร้างมนอษย์ใน้ดีที โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งดดแล้วเราได้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่งนอกจากบรรดาผู้สัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่พวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นอันใดเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าหลังจากนั้นเกี่ยวกับการตอบแทนไม่ใช่อลอดดอกหรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย